บทอางกบุตเป็นบทมั ก, กิยางมีหกสิบเก้าองค์การบทนี้ได้อารัมพบทด้วยอลลฟลามมีมมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวนในบทนี้ยังได้กล่าวถึงมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการศรัทธานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากฉันเมื่อความทุกข์ประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กลับไปสู้ วงแห่งการหลงผิดพวกเขาหันหลังให้อิสลามเพื่อเอาตัวรอดจากการลงโทษในโลกนี้คล้ายกับว่าการลงโทษในปรโลกจะเบาบางจากการลงโทษในโลกนี้บทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบของบรรดา น, นาบับลและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมาจากความทุกข์และความน่ากลัวในการเผยสารของอัลลอ์เริ่มด้วยเรื่องนบีนูนบีอิบรอฮีม นบีลูตและนบีซูไอและยังได้กล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มที่หญิงผยองเช่นพวกอารสมูธกอรูนฮามานและอื่นๆพร้อมกับได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบคือความหายนะและความพินาศเรื่องของบรรดานาบีนั้นมีบทเรียนจากความทุกข์ยากและการทดสอบอุปมาการเสียสละอันยิ่งใหญ่และผลตอบแทนอันเล็กน้อยเช่นนบีนัว อลฮิสลาที่อยู่ร่วมกับกลุ่มชนของเขาเป็นเวลานานถึง950ปีได้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อหรไม่มีใครศรัทธาต่อเขานอกจากกลุ่มชนจำนวนน้อยเท่านั้นและนี่ก็อีกท่านหนึ่งบิดาแห่งบรรด า, าอิบดุลฮีมอัลอลุคฮาินเขาพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนของเขาทุกวิถีทาง และได้โต้ตอบด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์แต่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากความหยิ่งผยองและความเกลียดกลั่จากผู้ขาเรื่องของนบีลุตนั้นกลุ่มชนของท่านได้ต่ําช้าเลวสามปราศจากความละอายหลังจากนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของบรรดานาบีโดยสังเกตในบทนี้ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงของสาลของมุฮัมมัดสลลลหวัลลหวไหลหัวซัก พระเขาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเขาได้นําเอาคมภีร์ที่เป็นปาฏิหาริย์ฉบับนี้มาและนี่คือข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่ามันเป็นพจนานของพระเจ้าเจ้าแห่งสากนลโลกแล้วได้เปลี่ยนมากล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่มีต่อเดชานุภาพและเอกภาพที่กระจายออกมาจากจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ เราได้จบลงด้วยการชี้แจงทึ้งผลตอบแทนแก่บรรดาผู้อดทนที่เผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ยากและความกลัวต่างๆและผู้ติดต่อสู้ดิ้นรนทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติพร้อมกับยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากและการทดสอบบทนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่าบทอังกบูดแมงมุมเพราะเราทรงยกตัวอย่างแมงมุม เจ็นบรรดารูปปัานภิกขะสลักบรรดาเจาเว็ตและพระเจ้าจองปล้องด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัอลีฟลามมีอัลีฟลามมี อาฮะบัมาสไอ้ยุทรกูอ้ยะคูลูอามันน่าว่าหุมล่ายุทธนูนมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าพวกเขาสถาแล้วและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบแต่แะนั้นหรื และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้วดังนั้นอัลละฮ์จะทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเพจ ي ي หรือผู้กระทำความชั่วทั้งหลายคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเราได้ช่างชั่วช้าแท้ๆททสิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน อพูดได้หวังที่จะพบอัลลอฮ์แท้จริงกำหนดของอัลลอฮ์ย่อมมาถึงอย่างแน่นอนและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มมนนนออออิิุลลลี และผู้ใดต่อสู้ดินน้นรนแท้จริงเขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงพึ่งพาประชาชาติใด และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาไปจากพวกเขาและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งซึ่งพวกเขาได้กระทำไ ว, ว้ ص ص อิิิลยยมมมมมรจคคคุุุบบาะดูและเราอัลลอฮได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขาและถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสองยังค่าคือการกลับของพวกเจ้า ดังนั้นข้าจะบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย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 ลและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าเราศรัทธาต่อลอแล้วครั้นเมื่อเขาถูกทําร้ายในทางของลอเขาก็ถือเอาการทดสอบของมนุษย์ประหนึ่งเป็นการลงโทษของอลลอและเมื่อการช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาถึงแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริง เราจะร่วมกับพวกเจ้าและมิใช่อัลลอ์เป็นผู้รู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของประชาชาิทั้งหลายดอกหรือและแน่นอนอัลลอส์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงพวกมุนาฟิกีนคือผู้กลับกลอก และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธ ja no าว่าจงปฏิบัติตามแนวทางของเรา และเราจะแบกรับความผิดของพวกเจ้าแต่พวกเราไม่ได้แบกรับความผิดของเขาเหล่านั้นแต่อย่างใดแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอนและแน่นอนพวกเขาจะแบกรับความผิดของพวกเขา และความผิดอื่นๆร่วมกับความผิดของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะถูกสอบสวนในวันเกี่ยมาในสิ่งที่พวกเขาได้กุคข์ึ้น และโดยแน่นอนเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาและเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปียกเวน้นห้าสิบปีและอุทกภัยได้ฆ่าพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นผู้อาดังดังนั้นเราได้ช่วยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้น และเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชาิทั้งมวลและจงดำลึกถึงอิบราฮิมเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าจงเคารพพักดีต่อลอและจงยำเกรงต่อพระองค์เถิด น bon. ั่นแะเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อ <un ộ readers> ินนัมาต عبدونا من دون الله أو تنو وتخلقون أفكار إن الذين تعبدونا من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبتقو عند الله الرزق وعبدوه وشكره و แท้จริงพวกเจ้าเคารพ บ, บูชารูปปั้นตื่นจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าปูกความเพชฌขึ้นมาแท้จริงบรรดาผู้ที่เคารบพบักดีอื่นจากอัลลอฮ์นั้นมันไม่มีอำนาจที่จะให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นจงขอเครื่องยังชีพจากอัลลอฮ์เถิดแต่จงเคารบพบักดีพระองค์และจงขอบคุณต่อพระองค์ ยังพรองเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปและหาพวกเจ้าปฏิเสธแน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกเจ้าก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้วหน้าที่ของศาสนาูตนั้นไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากการเผยแพร่ข ok, ้อเท็จจริงเท่านั้นแล้วพวกเขาไม่เห็นดอกรอววาอัลลอฮ์ส่งเริ่มการบังเกิดอย่างไรแล้วส่งให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก แท้จริงนั่นเป็นการง่ายแก่เรลลาจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไร แล้ว Allah อัลลอฮ์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลกแท้จริง Allah อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และยังพรุ่งเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป ا أ และพวกเจ้าไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและฟากฟา้าและอื่นจากอัลลอฮ์แล้ว สำหรับพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลล้อและการพบพระองค์ชนเหล่านั้น พวกเขาหมดหวังต่อความเมตตาของข้าและชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอ ดังนั้นคำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่าจงฆ่าเขาหรือจงเผาเขาเสียแต่เอาลอส่งให้เขารอดพ้นจากไฟแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัมมลลาทธา และข้าอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆอื่นจากอัลลอ เป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกเจ้าในชีวิตแห่งโลกนี้แล้วในวันขีามา่ม้าบางคนในหมู่พวกเจ้าก็ปฏิเสธอีกบางคนและบางคนในหมู่พวกเจ้าก็จะแช่งด่าอีกบางคนและที่คำนักของพวกเจ้าก็คือฝไฟและสําหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย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 และเราได้อิสหากและยากูบแก่เขาและเราได้การเป็นนบีและคำเพี์แก่ลูกหลานของเขาและเราได้แก่เขาซึ่งรางวัล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 กแท้จริงพวกเจ้าสมสู่กับพวกผู้ชาย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 และครั้นเมื่อพูดมาลายกาของเราได้มาหาอิบราฮีมพรม้อมด้วยชาวดีพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ทำลายชาวตาบล น, นี้เพราะว่าชาวตาบล น, นั้นเป็นผูดอด้อาถรรห์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 ولما جاءت ر س ُ ل ن ا لقسي أ ب ِ ه م وضاق بهم درع وضاق بهم درع وقالوا لا تخف ولا تحزن إن م ل و ك وأهلك إ ِ لم ر أ ت ك َ كانت من الغابرين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 ا آ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของทตำบนนี้ไว้สำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา และยังเมืองมัดยันเราได้ส่งพี่น้องของพวกเราคือซูไอไปเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอย๋ยจงเขารบสการะอัลลอฮฺเถิดและจงกลัวต่อวันสุดท้าย และอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผนดินโดยเป็นผู้ทำชั่วแต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาชัวดังนั้นแผนดินไหวอย่างรุนแรงได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ประสบความหายนะนอนตายทางภาพ อยู่ในบ้านของพวกเขาเองและอาดและสมตดและได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้วจากที่พำนักของพวกเขา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 และเราได้ทำลายกอรูนและฟิร์เอลและฮามารและโดยแน่นอนมูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขายิงพยองในแผ่นดินและพวกเขาก็หาได้รอดพ้นไปจากเราไม่มมมาาออนนิันน ว, ว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 เราได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงกรรมนาและบางคนหมูม่พวกเขาเราได้ให้แผ่นดินสูบและบางคนในหมูม่พวกเขาเราได้ให้เขาจมน้ำตายและอัลลอฮ์นั้นนม่ได้ทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่พวกเขาเองตั้งหาที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองน<ะ> อเลุยูิลลุอนนคบมปมาบรรดาผู้ที่ยึดเอาอื่นจะเอาล้อเป็นผู้คุ้มครองดังอุปไมยแมงมุมที่ชักใยทำรังแต่แท้จริงรังที่บบกบางที่สุดคือรังของแมงมุมหากพวกเขารู้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 เจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การมายังเจ้าจากคำภีและจงปฏิบัติละหมาด เพราะแท้จริงการละหมานั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่วได้และการดำลึกถึงอรรถนั้นยิ่งใหญ่มากและอรรถนั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 และพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเจ้าทรงเอกะและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์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 และก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้อ่านคามัมภีร์ใดๆและเจ้าไม่ได้เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้ามิฉะนั้นแล้วพวกกล่าวความเจะสงสัยอย่างแน่นอนบรรฮวายาตุดิญนาตุฟิซุดูดุลละดีนอาอุตุละอิม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 และฉันเป็นผู้ตัตกเตือนอันทชดแจ้งเท่านั้นมีเพียงพอแก่พวกเขาดอกหรือที่เราได้ประทานคำพีให้แก่เจ้า ซึ่งได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นความเมตตาและเป็นข้อตักเตือนแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธากล่าววาข้าพเจ้าเนผ้เป็ยานร ش หว่างท่านทัลาทุกสิ่งที่สวรร์และลละี่เชืนพระเจ้าและผู้ที่ไม่เชื่อในะเจ้หล่านัู งกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพอเพียงแล้วที่าล้อทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและบรรดาผู้ที่เชื่อในความเพ็ยและปฏิเสธสภาต่อ AH ล้อชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ขัด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 โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวพวกเขาเร่งเราเจ้าในเรื่องการลงโทษแต่แท้จริงนรกยานํำนั้นได้ล้อมพวกปฏิเสธศรัทธาว่าอย่างแน่นอน ยาวมยอร์ชาห كم العذاب มินจากิ هم วามิน تحت เอาจริฮิมวะยะกูลดูกูมาคุณทุมตามรู้วัญซึ่งการลงทั่วจะครอบคลุมพวกเขาจากทางบนและพวกเขาและจากต้เท้าของพวกเขาและพรงตัดว่าพวกเจ้าจงลิมรถสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกำไว้เธอยาอิบาดียาลดีนอามนูอ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 เป็นผู้ลิมรสความตายและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเรา ละบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายแน่นอนเราได้พวกเขาพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์นะเบื้องล่างมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลรางวัลของผู้กระทำความดีช่างดีจริงๆ <uca ges>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 เราส่งประธานเครื่องอยังที่ให้แก่พวกมันและแก่พวกเจ้าและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้และถระเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และเป็นผู้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอาลัลลอ์แล้วทำไมล่าวพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นอัลลอฮบุุริกลิมยชาอมินบดวยัตดิรุลลอินัลลอฮบิคุลอิอลมอัลล์ทรงให้เครื่องอยังที่อย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่บระงทรงประสงค์ จากวงเบาของพระองค์และส่งให้คับแคบแก่เขาแท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมวฮัมหมัดว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่ใช้สติปัญญาไขขวร ม هذه ا ل ح ي, الد ي ا الدنيا ل ا له ولعب و ن الدار ا ل, ل إ الد ال آ خ ر لهي الحيوان لو كانوا ال يعلمون และการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการลเล่นการสรุปร่าเริงแต่แท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้นมันคือชีวิตที่แท้จริง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 พวกเขาก็ตั้งพาทีต่อพวกเพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้หลงระลึกแล้วพวกเขาก็จะได้ พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเรากำหนดเขตหวงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขณะที่ผู้คนรอบๆพวกเขาถูกลักพาตัวไปและพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จ และพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโกรธปรานของอัลลอฮ์อีกด้วนและใครเล่าจะอาธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แอบล้อหรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มาอย่างเขา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 เราทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย